ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอการบรรยายธรรมะในวันนี้เป็นการบรรยายที่คาบเกี่ยวกันกับการบรรยายเทวตมาที่ เ, เคยบรรยายที่นี่สองครั้งที่แล้วมา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 สามหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งงานคือการปฏิบัติธรรมหัวข้อที่สองการทำงานด้วยจิตว่างและหัวข้อที่สามมดธรรมที่จะพึงใช้ในการทำงานด้วยจิตว่าง แต่แล้วในที่สุดการบรรยายครั้งที่หนึ่งนั่นก็บรรยายได้หรืออภิปรายกันได้เพียงหัวข้อเดียวคืองานคือการปฏิบัติธรรมแม่ในการบรรยายครั้งที่สองอภิปรายครั้งที่สองซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะคลาวให้จบอีกทั้งสองหัวข้อที่เหลือ ก็เป็นไปไม่ได้การบรรยายขั้งที่สองก็ได้แต่กล่าวถึงหมดทำกล่าวถึงการทำงานโดยจิตว่างแต่ภายใต้หัวเรื่องว่าเราจะถือพุทธศาสนากันอย่างไรโดยใจความก็คือการที่เป็นอยู่หรือทำการงานโดยจิตว่างนั่นคือวิธีที่เราจะถือพุทธศาสนาให้ลัดให้ตรงให้ได้ประโยชน์เต็มที่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 ไม่อาจจะเข้าใจก็สุดท้มีความเห็นที่ขัดแย้งเพราะความเข้าใจกันไม่ได้อยู่หลายอย่างดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องอวินิจฉัยกันถึงความหมายคำคาว่าจิตว่างอีกว่างตามสมควรในการบรรยายครั้งนี้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 เป็นเรื่องของบุคคลที่มีสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้โดยการจัดสรูาของพระองค์จัดสรู้ถึงที่สุดแล้วก็สอนสัตว์ที่มีอุปนิสัยพอสมควรที่เรียกว่านนยบุคคล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 คือศาสนาที่อิงความเชื่อกับศาสนาที่อิงปัญญา <c oughs> อย่างนี้แล้วอาตาร์มา ก, ก็จะถือโอกาสเลยไปถึงพูดถึงอาการที่เชื่อตอนเองเห็นของตอนเองทำาของตอนเองและพึ่งตนเองนี่อีกสั ก, สกหน่อยเพื่อจะช่วยเข้าใจ เ, เรื่องความว่างดีขึ้น <c oughs> และยังเนื่องถึง อีกข้อหนึ่งซึ่งในการอภิปรายสองครั้งที่แล้วมาไม่ได้ทําความเข้าใจกันกันกบอาจารย์พึกฤทธิ์ <c oughs> คือข้อที่อาจารย์พึกฤทธิ์เสนอว่าในพุทธศาสนานี่ควรจะมีด็อกมา ก, กันขึ้นเสียที <c oughs> เรื่องด็อกมานี่อาตมารู้สึกว่ามีความเห็นตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงกับอาจารย์พึกฤทธิ์ เพราะฉะนั้นจึงไม่เอ่ยถึงจึงไม่ได้แสดงความคิดเห็นเป็นการอภิปรายเพราะเห็นอยู่ว่าเข้าใจผิดอย่างตรงกันข้ามไม่เหมือนกับเรื่องบางเรื่องหรือเรื่อ ง, อ, ง, อ, งอื่นๆซึ่งเข้าใจตรงกันบ้างหรือผิดกันบ้างก็เล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องล็อกมานี้จะพูดถึงพอเป็น เครื่องช่วยความเข้าใจสาหรับท่านทั้งหลายให้ทราบ ว, ว่าในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอิงปัญญานั้นสิ่งที่เรียกว่าด็อกมาหรือด็อกมติกซิสเต็มนี้มีไม่ได้ <c oughs> เพราะเป็นเรื่องของศาสนาที่อิงความเชื่อ <c oughs> เกี่ยวกับคำคำนี้เข้าใจได้ง่ายในเมื่ออาจาจะยกตัวอย่างว่าเมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้ว พมาธได้อ่านหนังสือข่าวที่มีผู้สัมภาษณ์ฝรั่งชาวต่างประเทศที่เข้ามาถือพุทธศาสนาเขาถามฝรั่งนั่นว่าทำไมจึงเปลี่ยนจากาศาสนาเดิมมาถือพุทธศาสนาฝรัง่งคนนั้นตอบว่าเพราะเบื่อดอกมากเสียเตมทีจึงเดยลาจากพุทธศาลาลาจากาศาสนาเดิมมาสู่พุทธศาสนา ซึ <c oughs> ่งที่เรียกว่าดอ็อกมากนั่นก็คือมติที่องค์การที่ทรงอำนาจของศาสนานั้นบัญญัติขึ้นให้ถือกันอย่างที่ไม่ให้วิพากวิจารแต่ประการใดให้เชื่อให้ยอมรับ <c oughs> ด้วยอำนาจหรือออทอริตี้ของศาสนานั้นเขาเรียกว่าเ uh, ซตน อปินเจนแปล ว, ว่ามาติอันนี้ตายตัว <c oughs> แล้วก็ตั้งไห้อย่างที่เรียกว่าผูกขาดท่านนึกถึงคำด็อกมาหรือด็อกมาติกในคำแห่ภาษาพูดธรรมดากันแล้วกันคือการพูดอย่างปิดปากคนอื่นอย่างที่เรียกว่าโอหังแอโรแกนต์สอ คือว่าพูดได้มีอำนาจพูดได้ครั้งเดียวคนอื่นพูดด้วยไม่ได้เนี่ยด็อกมาติที่มาเป็นด็อกมาทางศาสนาก็คืออำนาจของโบสนั้น <c oughs> บัญญัติอะไรไว้ตายตัวแล้วไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นจาริตรัติมีด็อกมานี่มีได้แต่ในศาสนาที่อิงความเชื่อเป็นหลัก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 ของศาสนาที่อิงปัญญาอิงสติปัญญาของตัวเองยางหลักเรื่องการามสูตรเป็นต้นนั่นแหละเป็นเครื่องข้ามกันไม่ให้มีสิ่งที่เรียกว่าด็อกม้าขึ้นมาได้ในศาสนาประเภทที่เป็นศาสนาปัญญาแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังสัตว์ว่าอย่าเชื่อฉันต้องฟังดูว่าพูดอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรเข้าใจมองเห็นแล้ว จึงเชื่อกลายเป็นเชื่อผู้นั่นเอง <c oughs> สาวกของพระองค์เช่นภาษาริบุตร <c oughs> ก็ยืนยันกับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นในที่เฉพาะประพักพระพุทธเจ้าภาษาทุอย่างยิ่งว่าเป็นการกระทำที่ถูกศ <c oughs> าสนาที่อิงความเชื่อกับที่อิงปัญญาต่างกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องจิตว่าง น, นี่เป็น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 แม้ว่าในพุทธศาสนานี้จะมีคำว่าศรัท ธ, ธาคือความเชื่อแต่คำว่าความเชื่อนั้นผิดกันมีความหมายผิดกันความเชื่อยอย่างหนึ่ง <c oughs> เชื่อตามาที่ผู้อื่นบัญญัติว้ยกล่าวว้อย่างที่กล่าวมาแล้วไม่ศาสนาที่มีดอกไม้ส่วนในพุทธศาสนานี้ต้องเชื่อหลังจากปัญญา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 แต่ความเชื่อนั้นไม่สาเร็จประโยชน์อันใดบางที่กลับกลายเป็นกรงขังวิญญาณของบุคคลประเภทนั้นให้ตายด้านอยู่เพียงเท่านั้นถ้าเขาไม่สามารถจะทาให้เป็นไปในรูปของปัญญานั่นจึงเรียกว่าความเชื่อในพุทธศาสนานั้นไม่เหมือนกับความเชื่อในลัทธิฝ่ายที่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 <c oughs> ว่าท่านจงเป็นอิสระในการที่จะคิดจะนึกจะพิจารณาจะเข้าใจ <c oughs> ในข้อปฏิบัตินั้ น, น, นและมีหลักในการที่จะพึ่งตัวเองเสมอที่เรียกว่าพึ่งตัวเองนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> ยังฟังเข้าใจผิดกันอยู่มากส่วนมากก็ได้ยินได้ฟังประโยคที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตนซึ่งเป็นพุทธภาษิต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 ที่จะเอาบุญเอาคุณอะไรแก่พวกเราลอยให้เป็นอิสระที่จะคิดจะวินิจฉัยจะวิาพากษ์วิจารณ์แม่แก่พระพุทธเจ้าเองแล้วก็มองเห็นจริงได้เท่าไหร่ก็เชื่ออตนเองแล้วก็ทําเองแล้วก็ได้ผลเองแล้วก็เป็นที่พึ่งแก่ตนเองที่นี่เรื่องจิตว่างเป็นอันว่าปัดศรัทธาทิ้งออกไปได้เลยไม่ต้องเชื่อ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 สิ่งที่เรียกว่าตัวเราซึ่งเป็นมายานั่นก็ไม่มีก็เหลืออยู่แต่จิต <c oughs> นั่นจึิงเรียกว่าจิตว่างคือว่างจากตัวเราเม <c oughs> <c oughs> ื่อใดเรามีตัวเราขึ้นมามีความรู้สึกว่าตัวเราขึ้นมาเมื <c> ่อ <oughs> นั้นเรียกว่าจิตบวกอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเรา <c oughs> คือมีตัวเราทันจิตนั้นไม่ว่างและวุ่นด้วย <c oughs>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 ก็ไม่ได้เกิดเป็นความรู้สึกปฏิทางตัวเราอย่างนี้เรียกว่าท่านทั้งหลายกำลังมีจิตว่างจากตัวเราต่อเมื่อใดได้มีอะไรมากระทบเกิดความรู้สึกปฏิทางกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นเรื่องได้เป็นเรื่องเสียเป็นเรื่องรักโกรธเรกลียดกลัวอะไรตนอง น, นี้แล้วจึงจะเรียกว่าจิตประกอบอยู่ด้วยอุปาทานที่เรียกว่าตัวเรา อย่างนี้เรียกว่าจิตไม่ว่างเพราะจิตมีตัวเราในขณะที่จิตว่างแม่ว่างตามธรรมชาติปราศจากความรู้สึกว่าตัวเราอจตมาเรียกว่าจิตว่างเมื่อจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ไม่มีมีแต่จิตล้วนๆประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกอะไรก็ได้ตามประษาของจิต ขอแต่อย่ามีตัวเรากันแล้วกัน <c oughs> ที่นี่ปัญหาถัดไปก็ว่าทำไมจึงได้ใช้คำว่าจิตว่างซึ่งฟังดูก็แปลกประหลาด <c oughs> ที่จริงคำนี้ไม่แปลกประหลาดมีหลักมีเกณฑ์อยู่ในพระคัมภีร์หรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้าได้ทรงสอนเรื่องความว่างนี้มากมาย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 ไม่มีคำไหนดีกว่าจะเรียกท่านสั้นง่ายๆว่าจิตว่างเพื่อความกันสะดวกสะดวกไม่มีเหตุผลอื่นดีกว่าที่จะไปเรียกอย่างอื่นท่านลองคิดดูว่าคำไหนที่จะเหมาะสําหรับเรียกจิตที่กำลังไม่มีตัวไม่มีของตัวจิตที่กาลังไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของของตัว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 <c oughs> เพราะเหตุนั้นอาตมาจึงได้ใช้คำคำนี้เพื่อประหยัดเวลาของพวกเราในการที่จะเข้าใจเพื่อเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้เร็วแต่อาจจะเนื่องจากเป็นคำใหม่สร้างความตื่นเต้นให้กับท่านทั้งหลายเกินไปก็เลยยังเข้าใจไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เท่าที่อาตมาได้พยายาม ใ, ใคร่ครวญอย่างยิ่งแล้วเห็นว่าเรียกอย่างนี้ถูก ตรงทั้งโดยคําพูดอคือพยัญชนะและทั้งโดยความหมายคืออัจฉริะโดยตัวหนังสือก็ตรงตามเรื่องโดยความหมายก็ตรงตามเรื่องเพราะฉะนั้นจึงไปเรียกอว่าจิตว่างคือใช้คำคำนี้เรียกจิตชนิดนี้ที่เรื่องถัดไปเรื่องที่มาอของเรื่องความว่างหรือจิตว่างนี้ <c oughs> นี่แทบจะไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> ลนต่อมาก็ได้เคยบอกกล่าวหลายครั้งหลายหนแล้วแต่บางข่านอาจจะไม่สนใจ <c oughs> ดังนั้นจึงต้องนำมากล่าวใหม่คือข้อที่ <c oughs> มีบุคคลเป็นคราวาสกลุ่มหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธองค์และทูลแก่พระพุทธองค์ว่าขอพระองค์จงทรงแสดงคา ซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคราวาสครองเรือนแออัดอยู่โดยบุตรพันธุยารูปไล่อกระแจะขคล้องหอมเ <c oughs> ขอจงตรงดแสดงสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนาน <c oughs> พระพุทธองค์ทรงแสดง แสดงว่าทรงแสดงเรื่องสุญญตาโดยหัวข้อที่สุปัญจความว่าเย เ, เตสุตันตาสูตรทั้งหลายเหล่าใดตถาคตาพาสิตาอันเป็นคำที่ตถาคตได้ขาสิทไวคำพีราลึกซึ่งคำพีรัฐามีอัดอันลึกซึ่ง โลหุตระ <c oughs> อยู่เหนือโลกสุญญาตับปฏิสังยุตตา <c oughs> ประกอบอยู่ด้วย <c oughs> ความว่าง <c oughs> เนี่ยตามตัวบาลีเป็นอย่างนี้ <c oughs> โดยใจความก็คือว่า <c oughs> ให้คาวาดเหล่านั้นสนใจในคำสอนที่พระองค์ได้บัญญัติไว้เอง ที่กล่าวถึง เ, เรื่องเหนือโลกที่สูงไปกว่าโลกอันเป็นเรื่องลึกซึง้งและมีเนื้อความัมีอัดอันลึกซึง้งแต่ประกอบเฉพาะอยู่ด้วยเรื่องความว่าง <c oughs> แล้วขยายความออกไปอีกว่าพระองค์ทรงขยายความว่าข้อความที่กล่าวที่จะกล่าวกัน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 ผรงได้ตััดไว้ว่าถ้าเป็นคำกล่าวของพระองค์จะต้องกล่าวถึงเรื่องศุญญจตาคือความว่าง <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องคนอื่นกล่าวเขากล่าวกันอย่างตามใจชอบตามที่จะรู้สึกว่าไพเราะสนุกสนานหรือว่ามีรสมีชาติ ในทางใช่ความคิดเป็นนัดปราดหรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็ไม่กล่าวเรื่องสัญญาตาว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ื้อกูลแกท่านทั้งหลายตลอดการมานหือ <c oughs> เรื่องสัญญาตานี่เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แกขราวาาทั้งหลายตลอดการนานนี่ไม่ควรจะเป็นปัญหาอีกแล้วเพราะคำถามก็ได้ถามตรงๆคาสั์ของพระพุทธองค์ก็ได้จัดตรงๆ แก่คนที่เป็นขราวา่าเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเข้าใจไปว่าเรื่องสุญญาตานั้นไม่ใช่เรื่องของคราวา่าเป็นเรื่องของนักบวชชั้นสูงหรืออะไรต้องนองนั้นซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเรื่องสุญญาตาความว่างนี่อมีใจความหรือมีเนื้อความมีความหมายกว้าง ใช้ได้แก่คนทุกขั้อทุกระดับ <c oughs> แม้ที่เป็นขราวาดเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นคําตอบง่ายนิดเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นไม่ดับทุกนอกจากเรื่องสุญญาตาแล้วไม่เป็นเรื่องดับทุกและไม่ใช่เป็นเรื่องที่สัตถาคตกล่าว และไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชวนให้ขึ้นเหนือโลกแต่เป็นเรื่องที่ชวนให้จมอยู่ในโลกคราวาตก็จมอยู่ในโลกพอแล้วอั่นเมื่อคาราวาต้องการอะไรที่ดีก็ควรจะเป็นเรื่องที่ถอนตนขึ้นมาจากการจมอยู่ในโลกเพราะเหจนีเองพระองค์จริงได้ตรัสเรื่องสุญญตาแม่แกคาราวาตว่าเหมาะ แม่แก่ขราวาสที่ครองเรือนแออัดอยู่ในบุตรภนรยารูปล่ของหอมอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นที่มาของเรื่องความว่างโดยตรง <c oughs> ที่นี้ก็คือหลักทั่วๆไปจะเป็นหลักข้อไหนก็ได้ที่แสดงถึง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 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรหมด <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนเพราะมันว่างนั่นเองแม้แต่ตัวความว่างนั่นเองก็ไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของใครหรือของอความว่างเองเป็นนั้นว่า <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าความว่างนี่คือธรรมชาติที่แท้จริง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 พาดพิงถึงมนุษย์พาดพิงถึ ง, ถงความสุขความทุกข์ของมนคุษย์ก็คือสภาพ ท, ที่สิ่งทงั้งพวงเป็นของว่างจากตัวตนที่ควรยึดถือควรยึดมั่นถือมั่นหรือควรสาคัญมั่นหมายว่าตัวเราหรือว่าของเราพูดให้ชัดลงไปว่าสิ่ง ท, งทงววั้งหลายทั้งพวงทุกสิ่งไม่ว่าอะไรหมดว่างจากความหมาย แห่งความเป็นตัวต้นหรือเป็นของของต้นเดี๋ยวนี้คนธรรมดาสามัญทั่วไปคอยเพ่งเล็งหรือจ้องจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่เสมอที่จะเอาเป็นตัวตนเป็นของของต้น <c oughs> ดังนั้นจึงถือว่ายังไม่เข้าใจสิ่งทั้งพวงตามที่เป็นจริงและด้วยเหตุนั้นแหละจึงมีความทุกข์อยู่บ่อยๆ ถ้าเราจะเข้าใจสิ่งทั้งปวง ไ, ได้เราต้องศึกษากันในส่วนนี้ก่อน <c oughs> ตัวนที่ว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนว่างจากของของตนไม่ควรไปทำความสาคัญมั่นหมายในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนแต่แล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องไปกระทาไปจัดไปทากับต่อสิ่งนั้นๆโดยเหมาะสมกับที่สิ่งนั้นๆ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 ทรงระบุไว้ว่าเหมาะสำหรับคาราวาดอย่างนี้ <c oughs> อยากรู้เรื่องนี้โดยตนเองก็ไปเปิดดูด้านในสังยุตตนิกายคือพระสัพพใจปิดดกส่วนที่เป็นสุดตันตปิดดกและภาคที่เรียกว่าสังยุตตนิกาย <c oughs> มหาวาร ะ, ะ <c oughs> นี่ข้อต่อไปที่เราเข้าใจผิดกันจน เ, เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ก็คือว่า <c oughs> พุทธบริษัทในประเทศไทยเราซึ่งเป็นประเทศ ท, ที่ถือกันว่าจเจริญรุ่งเรืองโดยพระพุทธศาสนาแต่พุทธบริษัทส่วนมากเข้าใจอะไรบางอย่างไม่ตรงตามความจริงอของพระพุทธวจนะหรือของหลักธรรมก็มีเช่นเข้าใจไปว่าจิตนี่ มีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานจิตนี้มีความรู้สึกเป็นกิเลสเป็นตัวกูเป็นของกูอยู่เป็นพื้นฐานตลอดอทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรี่กว่ามีกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานถ้าเราค่อยไปแกะมันไปเคี่ยมันไปคุยมันไปเปลืองมันเจียเล็กเจียน้อยแล้วก็ว่างจากกิเลสนั่นเป็นครั้ ง, ค ร, งครา ว, ราวนิดนิดหน่นนอ ย, น, อยน้อยความเข้าใจอ ย, อย่างนี้ถูกหรือผิดทลองคิดดู <c oughs> ที่มาบอกว่าจิตของคนเรานี่มีความว่างปราศจากกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานก <c oughs> ิเลสนั่นเพึ่งมาเป็นคราวๆและเป็นเรื่องเล็กน้อย <c oughs> เป็นคราวๆนี่เราลองคิดดูว่าพิจารณาดูสังเกตดูเราเอาตัวเองเป็นประมาณ ว่าจิตของเราว่างอยู่เป็นพื้นฐานหรือว่าวุ่นด้วยกิเลสอยู่เป็นพื้นฐานถ้าเอาพระพุทธภาษิตเป็นหลักมันก็ง่ายนิดเดียวแต่เดี๋ยวจะหาว่าเอเกณฑ์ให้เชื่อบังคับให้เชื่อหรือจะเกิดเป็นด็อกม่าอะไรขึ้นมานี่ไม่จําเป็นแต่ว่าผู้พระพุทธภาษิตก็มีอยู่ว่าปภัสระมิทังพิกเวกิตตัง ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนอาคันตุเกหิอุปกิเลเสหิอุปกิลิถังแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วเพราะอุปกิเล ท, ที่เป็นอาคันตุกะเข้ามานี่ตามตัวหนังสือว่าอย่างนี้ว่าจิตนี้มีธรรมชาติเป็นประพัดสอนแต่ว่าเศร้าหมองเพราะกิเล เป็นแขกเข้ามาเป็นครั้งคราวคำว่ า, าอาคันตุกะนั่นก็คือแขกที่มาบ้านเราเป็นคราวคราวไม่ใช่มาอยู่ประจำที่พื้นฐานของจิตคือลักษณะประจำของจิตนี่เป็นประพัดสอนประพัสรังมิทงังประพัสรังอีกทางพิภ เ, เวจิตตังพิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนคำว่ <c oughs> าประพัดสอนคือใสกระจ่าง <c oughs> มีรัตตมีรอบตัว <c oughs> ไม่มีเศร้ามองไม่มีกิเลสแต่เมื่อใดกิเลสจอนเข้ามาเป็นแขกเป็นอาคันตุกะเข้ามาเมื่อนั้นก็เศร้ามองไปอา่าไปขณะหนึ่ง <c oughs> อย่างนี้จริงหรือไม่น่าเป็นจริงตามพระพุทธภาษิตนี้หรือไม่ท่านลองไปเฝ้าสังเกตจิตใจของท่านดูเอง <c oughs> แล้วก็ท่านตัดสินเอาเอง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 อย่างนี้แล้วมันก็เรื่องก็กลายเป็นว่ามีเรื่องมากมีภาระมากมีหน้าที่มากมีความยากลำบากมากเหมือนกับที่ท่อถอยกันอยู่ตัวตัวไปเนี่ยเพียงแต่หลักพื้นฐานมันก็มีความสำคัญอย่างนี้เสร็จแล้วน่นเราจะต้องชระสะสาระศาสตร์ในความเข้าใจพื้นฐานหรือหลักพื้นฐานอย่างนี้กันเสียก่อนลองคิดดูให้ดีว่าถ้าจิตนี้วุ่น คือเศร้าหมองอยู่ในกิเลสเป็นความรักความโกรธความเสียดความวกลัวความอะไรต่างๆอยู่เป็นประจำเป็นความวุ่นเป็นพื้นฐานแล้วพวกเราคงไม่ได้มีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ขึ้มานั่งอยู่ที่นี่ได้เราจะต้องเป็นโรคเช่นประสาทเราจะต้องวินกลจริตเราจะต้องตายเพราะฉะนั้นจึงขอบใจความว่างขอบใจความว่างอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่เป็นพื้นฐาน ซึ่งทำให้มีระยะเวลายาวพอที่เป็นความพักผรที่เป็นความดำรงอยู่ได้ของจิตที่ทำให้เราไม่ต้องเป็นโรคเช้นปศาสา์ไม่ต้องเป็นโรคพิกลเจริตหรือตายนนั้นจึงขอบใจความว่างที่ทำให้เรารอดชีวิตอยู่ได้และมานั่งฟังกันอยู่ได้ท่านทั้งหลายลองไปคิดดู ทีนี้ที่จะต้องทราบต่อไปที่เป็นหลักพื้นฐานก็คือว่าเมื่อจิตนี้มีธรรมชาติประพัดสอนอย่างนี้แล้วมันหมายความว่าอย่างไรประพัสสอนมะครับว่ามีรัศมีรอบตัวสายกระจ่างอย่างนี้ก็แปลว่าจิตที่ยังไม่ถูกกิเลสเป็นอาคันตุ ก, กะเข้ามาครอบงํานั่นจิตนั้นเป็นประพัสสอนจิตนั้นสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมายของคาว่าจิต หรือของคําว่ามนโนมนโนธาตุจิตธาตุวิญญาณธาตุธาตุแปล ว, ว่าธาตุความหมายของคําว่าจิตว่ามนโนว่าวิญญาณอะไระนี่ในฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งก็คือมีคุณสมบัติรู้รู้รู้ได้อยู่ในตัวเองต่อเมื่อใดมันเสียคุณสมบัติ แท่ของมันมันจึงไม่รู้เช่นอวิชชาครอบงำกิเลสครอบงำมันก็สูญเสียคุณสมบัติเป็นรูปผิดหรือไม่รู้ <c oughs> ถ้ามันมีเป็นความเป็นอิสระเป็นประพัฒสอนมันมีส่วนที่จะรู้และวิวัฒนาการขึ้นไปตามลำดับ <c oughs> จนรู้ถึงที่สุดเพราะนั้นเราจึงอมองเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นว่าในขณะที่จิตเราว่าง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 ท่านลงไปเปรียบเทียบดูว่าเวลาที่เรามีจิตว่างโปรง่งมีปัญญาอย่างไรมีสัมปชัญญะอย่างไรพอจิตเราวุ่นวายเราสูญเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียปัญญาอย่างไรท <c oughs> ่านจิตว่างกับจิตวุ่นนี่มันจะเหมือนกันได้อย่างไรมันจะต้างต่างกันอย่างตรงกันข้ามเสมอจิตที่แท้จริงที่ควรแก่นามว่าจิตนั้นต้องว่างคือจิตที่เป็นประพัฒนสอน แต่พราะอาคารตุกกะคือกิเลสเข้ามาครอบงาจนแล้วสูญเสียความเป็นจิตแล้วเราก็ไม่ควรจะเรียกว่าจิตมันเป็นเพียงของอที่กำลังปรุงแตง่งกระบวนกระวายกระสับกระสาสอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น <c oughs> ถ้าเรียกว่าจิตก็ต้องเรียกว่าจิตวุ่นผิดไปจากสภาพเดิมเหมือนน้ำที่ถูกลมเป่า ให้เป็นคลื่นอยู่ในรูปของคลื่นเสียแล้วไม่ใช่น้ําที่สงบเงียบมันจิตว่างก็คืออยู่ในปกติเดิมว่างสงบเงียบอไม่ทุกมีสติปัญญาเต็มที่พวกที่เขาถือหลักอย่างนี้อย่างรุนแรงเขาก็พูดจะง่ายๆว่าจิตคือความว่างความว่างคือจิตความว่างคือพุทธะพุทธะคือความว่าง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 จึงจะช่วยตัวเองได้ในการที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์เฉพาะใ น, นที่นี้อาตมาอยากจะขอพิจารณาส่วนสำคัญในข้อที่ว่าขณะที่จิตว่างนั่นจิตสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ด้วยปัญญาและอยู่ในปกติภาวะของมัน ในขณะที่จิตวุ่นนั้นสูญเสียสติสัมปชัญญะสูญเสียปัญญาไม่อยู่ในปกติภาพของมันดังนั้นจิตว่างก็คือจิตที่กำลังไม่ถูกกิเลสครอบงำแต่อยู่ด้วยปกติภาพเดิมของมันคือสติปัญญาส่วนจิตวุ่นนั้นคือจิตที่ถูกกิเลสครอบงำสูญเสียปกติภาพเดิมแล้ว ปราศจากสติปัญญาปราศจากสติสัมปชัญญะโดยสิ้นเชิง <c oughs> เมื่อท่านเปรียบเทียบกันดูรู้จักจิตว่างเป็นอย่างไรในลักษณะเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่มีความคลาดความกลัวต่อจิตว่างเหมือนคนบางคนซึ่งกลัวเอคําว่าจิตว่างเนี่ยอย่างกลัวผี <c oughs> กลัวเสือกลัวอ ะ, อะไรทํานองนั่น เพราะเขาไม่เข้าใจจึงมองเห็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเขามีตัวตนหรือความคิดเห็นปนในทางตัวตนมากเกินไปจนได้ยินคำว่าว่างแล้วก็สะดุง้ง <c oughs> ข้อนี้เปรียบกันได้กับพวกพรหมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพวกพรหมเมื่อได้ยินคำว่าละเสียซึ่งส ก, กายะแล้วก็สะดุง้งกลัวเหมือนกับความตายมาถึง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 ข้อแย่งนี่เป็นข้อแย่งของคนี่ี้อภิธรรมข้าวตาอกินไปจนตาฟางเราไม่ได้บอกว่าจิตว่างนี่ไม่มีอารมณ์จิตนี้จิตว่างนี่ก็ยังมีอารมณ์อย่างน้อยที่สุดก็มีภาวะแห่งความว่างนั่นเองเป็นอารมณ์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 จะเห็นจะมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไเป็นอารมณ์ก็ตามแต่ถ้าไม่ยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนแล้วก็เรียกว่ายังมีสิ่งที่ว่างจากความยึดถือเป็นอารมณ์เรียกสั้นๆว่ามีความว่างนั่นเองเป็นอารมณ์นี่ก็เป็นอันว่าทำความเข้าใจกันเตยใหม่ว่าไม่ได้กล่าวว่าจิตว่างนั้นไม่มีอารมณ์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 ว่ให้ใช้สุญญตาเป็นสิ่งปิเป็นหลักปฏิบัติสําหรับเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายตลอดการนาน <c oughs> เมื่อชาวบ้านชาวเมืองเป็นผู้ที่ร้อนมากกรรมกรทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์ร้อนมาก <c oughs> เขาก็ต้องศึกษาสิ่งที่จะช่วยขจัดความร้อนนั่นออกไปเนี่ยคือความมุ่งหมายของคำว่าจิตว่างโดยแท้จริงคือมุ่งหมายจะใช้เป็นเครื่อง ดับร้อนของคนที่กําลังร้อน <c oughs> ที่นี่ที่ว่าแย้งว่าอความว่างจิตว่างนี่เป็นเรื่องของพระอระหันต์ <c oughs> จะเป็นเรื่องของบุตุชนมีกิเลสไม่ได้เพราะว่าพระอระหันต์เป็นผู้ที่ว่างจากอุปาทานส่วนบุตุชนต้องมีอุปาทาน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 นี่เป็นสิ่งที่ต้องอทำความเข้าใจโดยตรง <c oughs> ที่ที่ว่าเราจะทำงานวยจิตว่างหรือว่าจะเอาประโยชน์อะไรจากการทำงานวยจิตว่างเราควรจะนึกดูต่อไป <c oughs> ถึงข้อที่ว่าเราทำอะไรในขณะที่จิตวุ่นน้นมันเป็นอย่างไรเราทำอะไรในขณะที่จิตว่างนี่มันมันแปลกกันอย่างไร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 ไม่รู้ว่าความหวังของจิตที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญานั้นก็มีมีอยู่เหมือนกันนันจึงเข้าใจกันได้ใหม่ว่าหวังด้วยวิชาไม่ใช่หวังด้วยอวิชา <c oughs> หวังด้วยอวิชาย่อมต่างจากหวังด้วยอวิชาวิช า, <c oughs> วชากับอวิชาย่อมต่างตรงกันข้ามเสมอ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 หวังหรือทําไปในจิตว่างนี้ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นตัณหาไม่เป็นความโลภเพราะว่ามีมูลมาจากวิชาต่อเมื่อมีมูลมาจากอวิชชาจึงจะเป็นโลภะตัณหาอซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะนั้นจงเป็นผู้ที่มีจิตว่างสําหรับหวังสําหรับต้องการสําหรับดําเนินงานนี่อานิสงส์ของความว่างเป็นอย่างนี้ อาสามาอยากจะพูดถึงอานิสงส์ที่น่านึกสักอีกสักอย่างหนึ่งว่า <c oughs> เราลองนึกดูถึงคําว่าเปรตซึ่งเป็นคําที่น่ากลัวคํ <c oughs> าว่าเปรตนี่ยมีความหมายตรงที่ว่ามีความอยากมีความต้องการมากแล้วก็ต้องการด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็ได้สิ่งสนองความอยากทีล้นนิดทีล้นนิด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 แล้วคงจะเป็นโรคประสาทกันมากยิ่งขึ้นเป็นโรควิกลจริกกันมากยิ่งขึ้นค่าตัวตายกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานด้วยจิตว่างไม่ได้เป็นอยู่ด้วยจิตว่าง <c oughs> จึงมีอาการจีวะท่องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยถ้าว่ารู้จักเรื่องต้องจิตว่าง <c oughs> แล้วทำงานด้วยจิตว่าง แล้วอาการที่เรียกว่าท้องเท่าภูเขาวปาดเท่าลูเข็มนั้นจะหายไปช่วยได้มากถึงอย่างนี้แม้จริงที่น่ากลัวอื่นๆที่เรียกว่าอบายภูมิเป็นนรกนรกหมายถึงการถูกลงโทษหรือว่าความร้อนอยู่ด้วยความอยากดิรชานหมายความว่าความงูเง่าเปรตหมายความว่าอยากมากหิวแล้วไม่พออสุรกายหมายถึงความกลัวศัตรูของมนุษย์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 อย่างที่เป็นอุดมคติหรือเป็นสม่ำมบนั่มของศีลธรรมศีลธรรมสากลทั่วโลกและแม่ของศาสพุทธของพุทธศาสน า, า, า, าทำงานเพื่อ ง, งานนี้ไม่มีตัวกูของกูเข้ามาแทรกแซงมีแต่สติสมัมปชัญญะทำไปงานสำเร็จผลงานนั่นไม่ไปในเสียเมื่อต้องการก็ได้เมื่อไม่ต้องการก็ได้แต่เพราะความที่มายึดมั่นถือมั่นนั่นและไม่เป็นทุกข์ั้งในขณะที่ทางานหรือว่า ทํางานสําเร็จแล้วเ <c oughs> นี่ยเราต้องพัฒนาที่ จ, จิตใจไม่ใช่พัฒนาที่ตัวคนหรือที่วัตถุ <c oughs> คืนพัฒนาตัวคนหรือวัตถุแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับหลับตาอกินพึ่งเนี่ยเป็นภาษาปักอต้องนวนปากใต้มันต้องทนมากเกินไปให้พึ่งต่อย <c oughs> หรือว่าต้อง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 อาศัยหลักเกณฑ์หรือความรู้เรื่องจิตว่างเพราะนั้นจึงจะสําเร็จประโยชน์ได้ท่านอาอยากจะกล่าวเป็นจานวนโวหารอีกสักอย่างหนึ่งว่าจิตว่างเนี่ยหรือความว่างนี่เป็นดนตรีอันไพเราะอยู่ในตัวมันเองชีวิตจะมีสภาพเหมือนดนตรีอันไพเราะต่อเมื่อเรามีจิตว่างในขณะใดเรามีจิตว่างชีวิตเป็นดนตรีมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสักเท่าไหร่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 เราเรียกว่าเป็นดนตรีทางวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกไม่ใช่ดนตรีดิสซีจีเป่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่แต่ความหมายมันอย่างเดียวกันคือความไพเราะเหลื อ, อ, ลอที่จะกล่าวได้ <c oughs> นั้นดนตรีที่แท้ <c oughs> ก็คือความไพเราะความสวยงามความเยือกเย็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งได้รับ ได้ยินได้ฟังได้สัมผัสในขณะที่มีจิตว่าง <c oughs> ที่พอมานึกถึงดนตรีที่เราใช้กันอยู่ในเวลานี้ <c oughs> เราควรจะอ่านออกแล้วว่าดนตรีหรือบทเพลงรูอธรรมนองเพลงก็ตามมันมีอยู่สองชนิด <c oughs> คือร่าวให้จิตวุ่นวายก็มีดนตรีหรือบทเพลงที่เอ ตะลอมจิตให้สงบเย็นลงไปให้ว่างก็มีทั <c> ้น <oughs> ดนตรีที่แท้จริงที่ถูกต้อง ต, องตามความต้องการของธรรมชาตินั่นจะต้องเป็นดนตรีที่ทําให้จิตว่างลงว่างลงสงบเย็นลงสงบเย็นลง <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ชอบเราไปชอบดนตรีของผพูดผีปีศาจที่ยุที่กระตุ้นให้จิตเส้นเล่าเๆ่าเลาเลเหมือนพูดผีปีศาจ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 นั่นแต่มีคำนองเป็นไปในทางช่วยแต่ล่อมกลองเก่าให้จิตว่างแต่ลูกหลานอุตริสร้างดนตรีชนิดทําให้จิตวุน่นและไปนิยมคนต่างประเทศที่เขาไม่ภาษีภาษาในเรื่องนี้ <c oughs> ตเตลิดเปิดเปิงในทางความวุ่นนะั่นแ่ะเอามาเป็นครูน <c oughs> แ, แม้แต่ละคร <c oughs> แม้แต่ ละครเราก็ยังเคยได้ยินได้ฟังว่าการใช้ผู้ชายล้วนๆวนแสดงละครอย่างนี้เมือนสมัยเชกสเปียร์ในประเทศอังกฤษละครชายผู้ชายล้วนอย่างนี้มันน่าเอ็นดูมันตล่อมให้เกิดความรู้สติปัญญาไม่ทำให้จิตวุน่นส่งเสริมไปในทางจิตว่าง นี่กิเลสของคนสมัยหลังแก้ไขเอาผู้หญิงเป็นผู้หญิงเอาผู้ชายเป็นผู้ชายแสดงบทบาทที่ยั่วมากขึ้นทุกที <c oughs> ละครก็เป็นเครื่องมือส่งเสริมกิตวุ่นไป <c oughs> นะ่าจะสุดแตวมนโนราเอาเล่นเป็นผู้ชายล้วน <c oughs> หรือละครปราโมทยสมัยหนึ่งเล่นเป็นผู้หญิงล้วน <c oughs> บทอย่างนี้มันน่าเอ็นดูและมันส่งเสริมไปในธานว่า <c oughs> ที่เราไม่เอา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 ไม่มีใครเหมือนก็แสดงด้วยจิตว่างแสดงได้ดีกว่าสูงกว่าที่นี่บุทุชนที่เป็นยักษ์เป็นมารในเรื่องราวต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังแม้ว่าเขาจะแสดงฤทธิ์ก็ต้องแสดงฤทธิ์ด้วยจิตว่างไม่ใช่จิตวุน่นแม้ว่าเขาเป็นยักษ์เป็นมารแต่ถ้าเมื่อถึงคราวที่ต้องแสดงฤทธิ์เขาต้องทำจิตให้ว่างให้เป็นสมาธิจึงจะแสดงฤทธิ์ได้ถ้าเราจะเชื่อ ข้อความบางประโยคในหนังสือเช่นหนังสือรามเกียรติ์ว่าเมื่อยักษ์เช่นคุมพะการ์ถูกบาดเจ็บสาหัสนุกแทบจะไม่ได้เ้าเขาก็ร้มนลูกตัวทีเดียวหายหมดลุกขึ้นต่อสู้ได้ท่านคงจะคิดว่านี่ทำไปไปยจิตวุ่นเป็นตัวกูของกูอย่าได้คิดอย่างนั้น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 มาจึงยืนยันว่าแม้แต่ฤทธ์ก็ต้องแสดงด้วยจิตว่างฤทธ์ของพระอราหันต์ไม่ต้องพูดถึงฤทธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพูดถึงแม้แต่ฤทธ์ของยักษ์ของมาร น, นี่ก็ยังต้องแสดงด้วยจิตว่างเพราะนั้นว่าไม่มีอะไรที่จะไม่ทำด้วยจิตว่างถ้าเราต้องการประโยชน์มันแท้จริงประกอบไปได้วยธรรมสมควรแก่มนุษย์ที่มีปัญญาเอาตัวรอดได้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 พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมประสงค์เราไม่อาจจะแยกว่าพระรัตนตรัยชนิดนี้เป็นของชาวบ้านพระรัตนตรัยชนิดนี้เป็นของอภิกษุที่อยู่ป่าหรือที่จะปฏิบัติเพื่ออ่าออกไปจากโลกมันก็ต้องเป็นพระรัตนตรัยเดียวกันนั่นแหละขอแต่ให้ถูกให้ตรงให้จริงแต่นั้น <c oughs> พระรัตนตรัยสําหรับชาวบ้านก็อย่างนั้นพระรัตนตรัยสำหรับ ภิกษุอยู่ป่าก็อย่างนั้นถ้ะาอาจารย์สำหรับพระอริยเจ้าในขั้นต้นๆก็อย่างนั้นทําไมจะต้องไปแยก <c oughs> อิทธิบาทสี่ซึ่งรู้กันรู้จักกันดีว่าเป็นธรรมะสาหรับทําความสาเร็จทีนี้อิทธิบาทสีนี่ชาวบ้านต้องใช้และท่านก็รู้กันอยู่แล้วและยอมรับกันอยู่แล้วว่าชาวบ้านนี่ใช้อิทธิบาทสี่ได้ในการทําหน้าที่การงานให้สําเร็จ และอิทธิบาตสีนั่นมันก็อย่างเดียวกันที่จะใช่ปฏิบัติเพื่อไปนิพพาน <c oughs> อิทธิบาเพื่อไปนิพพานมีความหมายอย่างไรมีอะไรอย่างไรมันก็ยังคงเอามาใช้กันกับชาวบ้านหรือกิจการของชาวบ้านได้ฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาสี่อย่างนี้ <c oughs> หาแต่ว่ามันจะมีปริมาณมากน้อยกว่ากันหรือคนะระดับ แต่เนื้อแท่เหมือนกันลองอ่านถึงลักษณะของอิทธิบาทที่เป็นในขั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นๆย่อมเจริญอิทธิบาทประกอบพร้อมโดยทำเครื่องปรุงมีสมาธิอันสัมปยุตด้วยชั้นทะเป็นประธานโดวยวิทยะเป็นประธาน้วยจิตตะเป็นประธานโดวยวิมังสาเป็นประธาน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 เป็นไปได้ว่าก่อนนี้ชั้นใดต่อไปก็ชั้นนั้นต่อไปชั้นใดก่อนหน้านี้ก็ชั้นนั้นเบื้องล่างชั้นใดเบื้องบนชั้นนั้นเบื้องบนชั้นใดเบื้องล่างชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นันนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเธอย่ออบรมจิตอันมีแสงสว่างด้วยจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรพัวพันให้เจริญอยู่ในอาการอย่างนี้นี่เรียกบรรยายคุณสมบัติของอิทธิบาทขั้นสูงสุดที่สุดแล้ว ที่จะบำเพ็ญในขณะที่จะบรรลุมรรคผลแต่แล้วท่านลองพิจารณาดูว่าทุกทุกประโยคหรือทุกวัน ล, ลีเนี่ยมีความหมายเหมือนกับที่จะเอามาใช้กับเรื่องของขราวาัตเขาต้องบำเพ็ญอิทิบาตในลักษณะที่เป็นสมาธิมีความรู้สึกที่เป็นฉันทะหรือวิริยะหรือจิตตะเป็นต้นนั่นนะเป็นประธานของสมาธินั้นจนว่าความหดเหียวทอดแท้ก็ไม่มีความหยุดนิ่งก็ไม่มีความหยุดอยู่ในภายใน สยบอยู่ในภายในก็ไม่มีความฟุ้งซ่านไปภายนอกก็ไม่มีแต่ก่อนอย่างไรเดียวนี้อย่างนั้นก็หมายความ e, ารรวามารร่าความสม่ำเสมอเราไม่ให้เป็นบุคคลที่ว่าที่แล้วมาอ่อนแออที่แล้วมากล้าหาญที่ที่หลังอ่อนแอทีนี้ไม่มีที่ว่าก่อนก็เป็นอย่างไร <IS AS 2> เดียวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างก็ฉันนั้นกลางวันอย่างไรกลางคืนก็ฉันนั้นนะเพราะมันเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับความมีธิบาทมีจิต <c oughs> ที่มีแสงสว่างมีจิตที่เปิดแล้วคือไม่มีกิเลสมาปิด <c oughs> ไม่มีอะไรขั้พันนี่แม้ว่าจะเป็นจานวนที่สูงถึงขนาดว่ามีจิตอันเปิดแล้วไม่มีอะไรขั้วพันก็ยังมาใช้ได้กับว่าเมื่อเราทำการงานทำราร่ทานา น, นี่เราก็ต้องมีจิตอย่างนี้ท่า <c oughs> น, นท่านจงเชื่อตามที่ท่านมองเห็นอยู่บางแล้วว่าธรรมะชั้นสูงที่ไปนิพพานเั้นอิธิบาสสี 4, นี่ก็มาใช้เป็นเรื่องของชาวบ้านได้ ทีธรรมะเช่นมัชมีองแปดมัชมีองค์แปดความถูกต้องแปดประการนั้นแม้แต่คนเพิ่งจะเริ่มศึกษาก็รู้ได้วันนี้ชาวบ้านปฏิบัติได้ทั้งทั้งที่มัชชิมาปฏิปทานนี้พระพุทธองค์จัดไวในฐา น, นะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนี่แสดงว่าข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานโดยตรงนั้ น, น่ะใช้กับชาวบ้านชั้นต้นชั้นต่ำที่สุดก็ได้เช่นมัชมีองแปด ใ <c oughs> นเรื่องที่สูงสุดเช่นเรื่องสุญญาตาพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสแก่คาราวาสกลุ่มนั้นในฐานะที่ยืนยันว่าเหมาะสําหรับคาราวาสเพราะฉะนั้นเลิกเข้าใจว่ามีธรรมะที่ต้องแบ่งแยกเป็นของพระอย่างหนึ่งของชาวบ้านอย่างหนึ่งของผู้ที่จะไปนิพพานอย่างหนึ่งของผู้จะต้องทําการงานในโลกอย่างหนึ่งนี้เลิกความคิดอย่างนี้กันเสียทีมันเป็นความคิดที่เข่ามันผิดกันแต่เพียงผิวภายนอกที่เปลือก เนื้อแท้มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาจึงยกเอาหมวดธรรมซึ่งลีกไม่พ้นจะต้องเป็นหมวดธรรมสำหรับปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั่นแหละมาเป็นหลักวางไว้สําหรับการปฏิบัติของชาวา่าที่จะทํามาหากินที่จะต้องทํางานโดยจิตว่างดังที่กล่าวแล้วจึงพูดเป็นหัวข้อว่าเมื่อต้องการจะทํางานโดยจิตว่างก็จงใช้หลักของโคดชงเจ็ดประการ เป็นหลักปฏิบัติในการที่จะทํางานด้วยจิตว่างบางคนจะสะดุ้งเพราะว่าโพุทชงเจตประการนั่นเป็นองค์สําหรับการจัดสรู้เป็นพระอรหันต์แต่เราทําไมมาว่าเป็นเรื่องสําหรับธรรมมาหากินของชาวบ้านเนี่ยขอฟังกันต่อไปแต่อย่าลืมว่า <c oughs> หมวดธรรมทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างขั้นต้นแล้วนั่นเป็นหมวดธรรมในขั้นบรรลุนิพพานแล้วมาเป็นเรื่องของชาวบ้านได้ที่โพุทชงเจตประการนี้ก็เหมือนกัน ขอแต่เพียงว่าให้เข้าใจความหมายของธรรมะนั้นๆให้กว้างขวางให้ถูกต้องและให้สมบูรณ์จนรั่ว่าเราจะจัดเอามาปรับให้เหมาะกันกับการงานของชาวบ้านได้อย่างไรเช่นเรื่องอิทธิบาทสี่ก็ยกตัวอย่างเห็นแล้วว่าใช้กันได้ดีทั้งผู้ที่จะไปนิพพานและผู้ที่จะทำการงานที่บ้าน ที่นี้สำหรับเรื่องโพชชงเจ็ดสกานนั่นเราจงถือว่าสิ่งที่เรียกว่าโพชชงนี่แปลว่าองค์แห่งการจัดสรุคือเครื่องมือสำหรับทำงานให้สำเร็จเป็นมักเป็นผลในทุกชนิดและทุกกรณีท่านจงถือว่าพระพุทธเจ้าได้จัดธรรมนไว้ในฐานะ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 ที่ถัดไปก็คือวิริยะสัมโภชจงไมความวหลังจากนั้นก็ใช้ความกล้าหาญความเข้มแข็งความอดทนความภาคเพียรความบากบัน่นกระทำสิ่งนั้นหรือสิ่งที่เลือกแล้วนั้นในความควบคุมของสติสัมปชัญญะและธรรมวิจัยที่กล่าวมาแล้วที่ข้อที่สองไม่มีทางที่จะจิตวุ่นวายขึ้นมาได้เพราะอำนาจสิ่งนี้ <c oughs> ทีนี้ก็ามาถึงข้อที่สี่ที่เรียกว่าปีตีสมโพชงจะต้องมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสนุกสนานในการกระทำหลอเลี้ยงความภาคเพียร น, นั่นไว้เสมอมีความพอใจมีความอิ่มใจมีความสนุกสนานในการกระทำที่ทำงานเพื่องานทําไมประกอบไปดิวยธรรมนี่อยู่เสมออย่าให้เป็นกําลังสำหรับหลอเลี้ยง ความภาคเปลี่ยนอยู่เสมออย่าได้ไปอาศัยกำลังแห่งตัวกูของกูคือเรื่องของจิตวุ่นลึกอิเลดนั่นเป็นอันขาดอย่าไปเอากำลังของตัวกูของกูที่ทุ้งคล่านด้วยความกระหายความเสเยื่อสยานอะไรองนั้นมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอันขาดแต่ให้หล่อเลี้ยงไว้ด้วยความพอใจที่เป็นธรรมความอิ่มใจที่เป็นธรรมความสนุกสนานที่เป็นธรรมที่เกิดจากการกระทำนั้นๆมาหล่อเลี้ยงไว้เสมอ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 จนกระทั่งกลมเกลีลยวเป็นสิ่งเดียวกันไม่แยกกันอยู่เป็นสิ่งสิ่งอย่างนี้เรียกว่าการข่าวรูปหรือการลงรูปของอธรรมะนั้นๆซึ่งเราปฏิบัติอยู่หรือของการงานการธรรมาหากินอะไรก็ตามที่เรากำลังจะทำอยู่ไม่มีการกระทบกระทั่งภายในไม่มีการกระทบกระทั่งภายนอก <c oughs> ไม่มีการถอยกลับเพราะความที่มันลงรูปเป็นอันดีที่นี้พุทธชงข้อที่หก็คือสมาธิสำพจทชงนี่ถึงระยะการที่จะต้องทุ่มเทกำลังจิตทั้งหมดทั้งปวงลงไปในงานนั่นคือในการจระทำนั่นเป็นสมาธิที่เข้ม ท, ท, ท, ท, ที่เต็มเปี่ยมที่มีกำลังกล้าแข็งมีคุณสมบัติสามประการคือว่าบริสุทธ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 แล่นชิวไปตามกฎเกณฑ์ของมันอาการของคูณนั้นมีอาการเหมือนกับเฉยมันเหมือนกับว่าเราจอดเตรียมรถของเราหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถของเราได้ที่แล้วก็ขับเฉยเพียงแต่ถือพวกมาลัยเฉย <c oughs> รถก็แล่นเฉยชิวไปเรื่อยจนกว่าจะถึงที่สุด <c oughs> ใจความสําคัญอยู่ตรงที่รอได้คอยได้ด้วยความสงบจนกว่าจะถึงที่สุด คนสมัยนี้รออะไรไม่ได้คอยอะไรไม่ได้มีใจิตใจรล่าร้อนเดือดพล่านอยู่เสมอไม่มีอุเบกขาในทุกกรณีนี่มันขัดกันอย่างยิ่ง น, นี่ถ้าลองคิดดูว่าธรรมะเจ็ดประการนี้สำหรับการตัดสู้เป็นพระอรหันต์นั่นเอามาใช้ในการทำมาหากินหรือทำงานด้วยจิตว่างของชาวนาของกรรมกรได้อย่างไรของลูกเด็กๆที่จะเล่าเรียนเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างไร ของคนหนุ่มคนสาวที่จะตั้งตัวตั้งตนได้อยังไงเขามีพจชจงที่หนึ่งคือความรำลึกรอบครอบไปทุกสิ่งทุกด้านทุกแง่ทุกมุมก็มีพจชจงข้อที่สองคือเลือกเอาด้วยสติปัญญาที่เหมาะแก่อุปนิสัยเป็นต้นของเขาแล้วเขาเป็นคนจริงระดมทุ่มเทกำลังความภาคเพียรอะไรลงไปจริง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 จนเมื่อท่านเจ็บป่วยประชวนขึ้นมายังต้องเรียกภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งมาออกชื่อธรรมะเจตประการ น, นี้ให้ท่านได้ยินแล้วก็ท่านก็หายป่วยมันติดทิ้งในขณะนั้นซึ่งท่านทั้งหลายที่เคยอ่านเรื่องในพระคัมภีร์มาแล้วย่อมได้ยินได้ฟังมากมายจนถึงกับเกิดพิธีธรรมเนียมว่าคนเจ็บหนักเอาพระมาสวดโคดชงเจตประการให้ฟังอย่างนี้เป็นต้น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 เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้าต้นว่าเมื่อจิตมว่างเมื่อนั้นสมบูรณ์อยู่ในสติสัมปชัญญะเป็นตน้นสมบูรณ์อยู่ในสตด้วยปัญญาเป็นตน้นและเป็นสมาธิอยู่ตามธรรมชาติในตัวมันเองคือในจิตว่างนั้นอันนี้นี่เรามาทําให้เป็นอระบบที่ดีที่รัดคุมให้ศหลักวิชาให้เห็นชัดโดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องอาศัยศรัทธางมงายอาศัยปัญญาตามแบบของพุทธศาสนาอยู่เสมอแล้วก็อจองชใช้หลักธรรมะเหล่านี้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 แม่กับการทำการงานของคนที่อยู่ในโลกเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกก็คือคนที่ต้องการจะข้ามขึ้นจากโลกเพราะว่าถ้าไม่ต้องการข้ามขึ้นจากโลกก็คือจมอยู่ในกองทุกข์เมื่อต้องการจะข้ามขึ้นจากโลกก็คือมุ่งหมายโลกุตระรั่นหลักของโลกุตระจึงเป็นหลักสาหรับความดับทุกข์ดับทุกข์ทั้งปวงดับทุกข์ในทุกกรณี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 แม่ว่าให้ทรมาหากินนี่ก็เพื่อให้ฉลาดจนถอนตนขึ้นออกออกออกจากโลกแล้วเมื่อการทรมาหากินผิดวิธีนำมาซึ่งความทุกข์แล้วก็จงใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือสาหรับทำให้ถูกวิธีอย่าให้การทรมาหากินนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาซึ่งกิตชนิดหนึ่งซึ่งธรรมชาติมีไว้ให้เราเป็นพื้นฐาน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 ในฐานาที่ว่าเ ป, เป็นเป็นเป็นวันขึ้นปีใหม่มายกๆ ย, ยกอยากจะข อ, อะส่งความสุขปีใหม่นี้ด้วยจิตว่างโดยคำที่เคยยืนยันแล้วผูกขึ้นเป็นคำกรอนว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแล้วก็ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น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 ไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางได้เหมือนพระกินอาหารของความว่างนั่นหมายความว่าภิกษุที่แท้จริงย่อมสานึกในความไม่มีตัวตนหรือของตนอยู่เสมอโดยบทปัจจเวกที่มีความหมายอย่างนั้นนิสัตโตนิชีโวสุญโยไม่ใช่ชีวะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลว่างเปล่าจากตัวตนกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิด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 แต่ถ้าเราเป็นอยู่ด้จิตว่างทํางานด้วยจิตว่างห่างกินอาหารความว่างอย่างที่ว่าแล้วสิ่งที่เรียกว่าความตายจะสิ้นสุดมาแล้วตั้งแต่ทีแรกไม่มารบกวนอีกต่อไปไม่มีตัวเราที่จะต้องตายไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นตัวเรานี่ยคือ อ, อคําบรรยายตอนสุดท้ายที่เรียกว่าหลักธรรมะที่จะช่วยให้เรา สามารถทำงานด้วยจิตว่างมีอยู่ดังที่กล่าวมานี้นวารมาได้กล่าวสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะกล่าวทั้งสามขั้นสามตอนจบไปแล้วโดยบริบูรณ์ในวันนี้จึงหวังอยู่ว่าท่านทั้งหลายที่หวังจะได้ประโยชน์เอจากการบรรยายนี้จะได้นําไปพินิษ์พิจารณาดูโดยไม่ต้องเชื่ออาตมาแม้แต่ประการใด พงเชื่อตัวเองได้ตามหลักของพุทธศาสนายังจะขอให้พิจารณาอย่างละเอียดแยกคายแล้วนั่นล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารู้เองเห็นเองปฏิบัติเองช่วยตัวเองได้เป็นหลักเกณฑ์ของพุทธศาสนาโดยแท้จริงอาตมาขอหยุดติการบรรยายในวันนี้เพวาความทุกควรแก่เวลา เพี <c oughs> ยงเท่านี้